ก็ถึงเวลาที่จะแนะนำกรรมาฐานกันวันนี้ก็คงพูดถึงญาณแปลกแต่ว่ายังไม่ต่อจากวานก่อนที่บรรดาญาติโยมและบรรดาดี่สุทั้งหลายจะฟังขอทุกคนนึกถึงความจริงเสียก่อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแต่การพระบูติคาติสะ ว่าอีกไม่นานนักร่างกายนี้จะมีวิญญาณไปปราดแล้วคือไหมายความอีกไม่นานนักร่างกายนี้จะตายไม่มีจิตใจในเมื่อวิญญาณไม่มีแล้วก็มีสภาพเป็นวัตถุที่ชาวบ้านเขาทอดทิ้งคือคนตายแล้วศพนี่ไม่มีใครเขาต้องการเหมือนกับพอดไม้ที่ไร้ประโยชน์ ะโลงความว่าเราคิดตามความเป็นจริงว่าร่างกายที่มีความตายเป็นที่สุดไม่ช้าเราก็ตายคำว่าไม่ช้าหมายความว่าอายุของเราอย่างเ่งก็ไม่เกินร้อยปีมันต้องตายได้ก็ดูสภาพคนคนตายว่าคนตายจริงๆมีสภาพแบบไหนเขาตายให้เราดูเสมอจะได้ก่อนที่จะตายแล้วก็เลือกที่อยู่ซะก่อนเพราะพวกเราได้เปรียบ การฝึกทิคุยานได้การได้มโนยิธิรู้สวรรค์รู้น ร, นรกรู้จริงทุกอย่างก็ทําได้แล้ว ต, ต้องอาศัยความเป็นทิศของจิต <c oughs> ที่กําลังพระปัญญาร่วมคือมโนยิธินี่ไม่ใช่วิชาสามถ้าเวิชาสามแล้วได้ไดทิคุยานแล้วมันไปไม่ได้นั่งตรงนี้เห็นตรงโ น, น้นคุยกันได้แต่ไปไม่ได้ การไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่เราต้องการได้นี่เป็นปัญญาเต็นที่ปิจควมคูยานของปัญญาเจนนั้นหากว่าเราไม่ประมาทในชีวิตก็คิดว่าถ้าบุญบา ร, รมีก็เราอยู่แค่นี้ถ้าตายจากความเป็นคนจะไปอยู่ที่ไหนถ้าอยู่สถานที่ใดขอพบนิมานถ้ากำลังใจเขาเยยังต่ำอยู่อาจจะพบนิมานที่สวรรค์ กำลังใจอย่างกลางก็จะพบอิมานที่พร ม, มโลกตอนนี้ถ้าพบอิมานที่สวรรค์ก็ดีที่พร ม, มโลกก็ดีเราก็คิดว่าชาตินี้เราต้องการนิพพานการเกิดบนสวรรค์ก็ตามบนพรมโลกก็ตามยังไม่เสร็จจิตตั้งบำเพ็ญบรารมีต่อไปเราจะทำยังไงกับจิตใจของเราจงสามารถนิพพานในชาตินี้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเดาเข้าวปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีคุณถามที่ว่าจะปฏิบัติอย่างไงท้าจะตรัดมาแบบง่ายๆตามกำลังใจของเราแต่และคนอาจจะไม่เหมือนกันเราบกท้่องจุดไหนท่านจะแนะนำจุดนั้นทำให้เต็ม <c oughs> เมื่อกำลังใจเต็มดีแล้วเราจะดูวิมานใหม่ ว่าวาิบายนเขาเราเวลานี้อยู่ที่สวรรค์ได้อยู่ที่ฟร่มาโลกในกำลังใจเต็มจริงจะไม่พบวิมานที่สวรรค์ในฟุรมมาโลกจะพบจุดเดียวที่นิพพานแล้วก็สามารถเข้าไปได้ทาไปนั่งเล่นนอนเล่นได้ต่อมาหลายวันแล้วก็เช็คใหม่ว่าวิมานเขาเราอยู่ที่ไหนถ้าวิมานที่สวรรค์ก็ไม่มีฟร่มโลกก็มีอย่างนี้เป็นนั้นว่าตายจากชาตินี้เราไปนิพพานแน่ แต่ก่อนที่จะทำอย่างนี้ของัรนดาท่านผู้บริษัทนิยามตัดสินใจเรื่องการพิจารณาร่างกายซะก่อนเอาง่ายๆวิพัฒนายานตัวสุดท้ายว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็ตายใช่วิสัพทงง่ายๆถ้าเราจะเกิดเป็นคนมันก็เป็นทุกอย่างนี้ต้องทํามาห้กินต้องมีความการป่วยไข้มาสบาย มีการพัดพลาดในของรักของชอบใจมีความตายไปสุดเราไม่ต้องการมันอีกถ้าเกิดเป็นเทวดาแล้วผมก็ยังไม่ใส่กิจต้องทำเป็นบารมีต่อไปฉะนั้นเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานใจจะเกิ ด, ดเุเบคขารมไม่นิยมการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมอย่างนี้ก็ใช้กำลังใจข้อทวนถามพระพุธทธเจ้าทันที ว่าเวลานี้ที่มาของเราอยู่ที่ไหนที่ไหนท่านจะบอกให้บกพ่องยังไงท่านจะบอกให้แล้วปฏิบัติตามท่านแนะนำอย่างนี้ไม่ช้านักจะมีผลตามนั้นแล้วตอนนี้ไปก็อย่าขอพูดเรื่องยานแปลกเมื่อวานก็พูดมาครั้งหนึ่งแล้วแต่พระท่านบอกว่าไม่จบไม่ใช่พระที่นั่งอยู่ข้างล่างนี่นะท่านให้ย้อนกลับ ท่านบอกว่าคําว่ า, วาทิฏฐิจุฬยานคือยานเป็นมีความรู้ทางใจคล้ายตาทิฏฐิอันนี้เรารู้ตามความเป็นจริงถ้ากําลังสมาธิจิตท่าสะอาดมากเนอกจากรู้จิตมันจะเห็นด้วยสามารถเห็นสวรรค์ก็ได้เห็นพุมธมโลกก็ได้ถ้าจิตสะอาดมากเห็นนิพพานก็ได้ไปถึงก็ได้เพราะเป็นกำลังของข้าพิญญา ไปดินแดงเขงนานรก ก, นก็ได้ไปแดนปุ่ยก็ได้ไปแดนสุรกายก็ได้ในจั ก, กรวาลนี้ทั้งหมดดวงดาวต่างๆเราจะไปไหนก็ได้ตอนนี้เจ้าบอกว่าให้ทุกคนถอยหลังไปหานารกเน้วก็เราก็ ม, มาย้ำที่กุยานใหม่ว่าถอยหลังไปหานารกไปดูนรกแต่ได้ขุมตามเวลาที่เราจะมี ไปเห็นการส ม, มัยทุกขเวทนาในนรกตอนนี้ก็ใช้กําลังปุบเพนีวาสารญาณสรุชาตถอให้หลังเข้าร่วมโดยปุบเพนีวาสารญาณก็คือที่เป็นคุญานนี่เองไม่มีอะไรดูแลแตรา จ, จะใช้งานก็ถามดูว่านรกขุมนี้ที่สมยทุกขเวทนาอย่างนี้เราเคยมาแล้วกี่ครั้ง แต่ได้ครั้งถูกลงโทษแบบไหนอย่างนี้ภาดจะเกิดแต่ความจริงก่อนจะไปควรจะรัตนาบ ร, รมีพระพุทธเจ้าไปด้วยท่านจะไปเองหรือแสดงองค์ปณิมิตรก็ตามหรือว่าเทวดาหรือนางฟ้าหรือผมองค์ไหนก็ตามบาราหิ์ก็ตามที่ท่านทรงข้อเรารัตนาท่านไปด้วยด้วยกำลังบ ร, รมีของท่านเราจะเข้าได้ทุกข์ ถ้าเวลาขอดูระเยนภาพนรกขุมนี้เราเคยสวยทุกเวีดนามาแล้วกี่ครั้งหลังจากนั้นก็ดูภาพต่อไปว่าการสวยทุกแบบนี้ใช่ก่อนทําอะไรไว้ไอ้อย่างนี้ได้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจว่าไอ้กรรมประเภทนี้ที่ทําแล้วก็แล้วก่อนไปจะ ต, ต่อไปเราจะไม่ทํากรรมแบบนี้อีกมาถึงแดนเตื่แดนอาุรกายแดนสิทธิ์แสงก็สิิ์แสงสัตย์แสก็เหมือนกัน ว่าเป็นประเภทเปรดเราเคยเป็นเปรดประเภทไหนบ้างอสุรกายเคยเป็นมาไหมอสุริฉัยเคยเป็นอะไรมาบ้างยานจะบอกให้รู้คำว่าบอกคือแสดงภาพให้ปรากฏแล้วเราก็ถอยหลังด้วยว่าชาติเป็นมนุษย์เราทำอะไร <c oughs> หรือว่าเป็นเศษกรรมอะไรในกันหลังจากการไปสัตว์นรกแล้วจะมาเกิดที่นี่มีทุกเวทนาแบบนี้ถ้าทําอย่างนี้เรื่อยๆทุกวัน กรรมที่เป็นอกุศลเราก็จะไม่ทำเพราะเราเห็นภาพรู้ตัวแต่ละชาติที่ทำมาแล้วมันมีความทุกข์แบบนี้ <c oughs> ต่อไปก็ว่ากับถสวรรค์อย่างสวรรค์เช่กามาวาจรสวรรค์เราเคยเกิดปเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าชั้นไหนมาบ้างก็ดูบุญบารมีของเราว่าสมัยที่เกิดปเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้านั่น เราทำบุญอะไรไว้ <c oughs> เราทำบุญอะไรไว้แล้วขนาดที่เกิดปรรรรรรเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าเรามีบาประหรับเราบาปยังขังใจเราอยู่รึเปล่าก็จะมีบางชาติที่เราเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมแต่บาปยังมีขังใจอยู่ไม่ใช่ไหมความบาปเราก็ทำบุญเราก็ทำ ผลของบาปมันต้องบาป ม, มันต้องเป็นกฎของกรรมทําให้มีทุกข์ผลของบุญก็อเป็นกฎของกรรมทําให้มีสุขแต่ว่าเวลาก่อนจะตายก็ขอดูขณะที่บาปยังมีในใจของเราถ้าทําไมเรายังเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็จะทราบว่าขณะ ท, ที่ก่อนจะตายกําลังใจเสะอาดคือเลื่นขึ้นบญอย่างใดอย่างหนึง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกสมาธิมีประโยชน์มาก พ้าจิตใจจะมีความเคยชินในเรื่องของบุญกุศลเวลาก่อนจะตายจิตใจนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระเจ้าหรือหรือว่าพระธรรมหรือว่าส่งองค์ใดองค์หนึ่งหรือทางกองการกุศลอย่างใดอย่างเพียงอย่างเดียวอย่างนี้บาปจะตามไม่ทันและก็หลังจากนั้นเราจดติจิเทวดาจากนางฟ้าจากพรหมลงมาเกิดในบาปพาเราเป็นนรกห ร, กรือเปล่า ตามธรรมดาถ้าหมดบุญแล้วบาปจะพาพุ่งไปนระกทันทีแต่อย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีที่ท่านฉันหลากมีเยอะที่เป็นบัณฑิตในเมื่อท่านเป็นเทวดาท่านเป็นนางฟ้าเป็นพรหมท่านก็เป็นบัณฑิต ท, ท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าถ้าเราบดบุญสนนาบรมีจากเทวดาแลือพรหมและนางฟ้า เราจะไปทางไหนท่านก็ทราบปรากฏของกรรมเดิมของท่านมีอยู่ที่เป็นบาปมันจะพาลงนรกถ้าเป็นอย่างนี้ท่านนั่นหลายแล้วนั้นก็ตัดสินใจจุติก่อนเวลาก่อนหมดสิ้นบุญก่อนจะสิ้นบุญบา ร, รมีเนะี่ยังไม่ปล่อยให้หมดถ้าปล่อยหมดบุญบารมีขั้นตอนนั้นมันจะพุ่งลงนรกทันทีแต่ว่าทเทวดาและนางฟ้าหระอพรหววมที่หลักท่านจะไม่ยอมให้หมดไป ห, หมดเวลาของบุญ จะลงมาระหว่างที่มีบุญยังขังใจอยู่ตอนนี้ก็ค้างที่มนุษย์ท่านจะเลือกเกิดในดินแดนที่ท่านสามารถจะเกิดได้นันตะกูลที่สามารถจะเกิดได้แล้วก็ใส่บุญเก่าลงมาได้กรรมเก่าส้ากรรมเก่าสนองบ้างให้เป็นคนเห็นผิดด้วยความดีสนองบ้างให้เป็นคนเห็นถูกก็ทำบาปบ้างทำบุญบ้างแต่กำลังของบุญจะมีที่ขังอยู่จะมีกำลังสูง เวลาจะตายนึกถึงบุญใหม่ไปเป็นนางฟ้าเสว ด, ดาไปสมใหม่อย่างนี้เยอะหรือว่ายังไม่ต้องตกตรกบางทีถึงพันชาติสองพันชาติก็มีเก็บบาปไว้ตอนนั้นขอบรรดาลใจหลายถ้าเราเผลอมาอะไรมันก็ลงายยามาบยาปูเมืนนั้นก็คอยตัดสินใจถ้าใช้กำลังที่กุญยายอย่างนี้จะเป็นเหตุให้เราเข้าใจความดีและความชั่วผลความดีและความชั่ว ไนเมา่รู้อย่างนี้แล้วเราก็จะตัดชินใจจะเพาะได้ของความดีทำความดีให้มากความชั่วธรรมดาบาปความจเจเพิ่บบ้างอะไรบ้างไปของธรรมดาแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงมันจะไม่เพิถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทุกวันต้องใช้ทิกปุญานเห็นเทวดาให้ได้เห็นหนางฟ้าให้ได้ทุกวันเห็นพมหมเห็นไป็พโลกให้ได้ทุกวันเห็นนิพพานให้ได้ทุกวัน จิตใจรักตรงไหนเอาใจไปตั้งไว้ตรงนั้นอย่างเรารักนิพพานเนี่ยใครจะถามว่าเรายังไม่เป็นพระพราหันปณิพาน์ได้หรือก็ต้องขอแต่ว่าถ้าจิตใจเราไปตั้งไว้ที่นิพพานโดยเฉพาะนั่นก็แสดงว่าจิตเราห่างจากร่างกายไปหน่อยแล้วห่างไปทุกวันเพราะการปนิพันธ์จิตใจมันมีอย่างเดียวคือใจไม่ไม่จิตใจไม่ห่วงร่างกายทย่นเองสังขารเกายขายาน เรียกว่ายานเป็นเส้นวางเฉยใ น, นร่างกายฉะนั้นเวลาทุกๆวันเราก็วางเฉยใ น, นร่างกายวันละนิดวันละน้อยวันละสองสามนาทีบ้างห้านาทีบ้างสินาทีบ้างทํำอย่างนี้ทุกวันกําลังใจประเภทนิยสสะสมตัวเองและมีกําลังใจเฉพาะคนิพันธ์เป็นอารมณ์แต่พอเวลาปล่วยจะตายจริงๆเวลานั้นกําลังสังขารเปรคขยานยั ง, ยงเข้าครอบงําทันที คือจิตจะ ว, วางเฉยในร่างกายทั้งหมดจะมีความรู้สึกสบายไม่ห่วงใยร่างกายไม่ห่วงใยทรัพย์สินจิตเสงบอย่างมีจิตเป็นสังขารทีเบียดขยานเพราะว่าขณะที่ป่วยจิตจะไม่คล้องในในกิเลสทั้งสามและทั้งสี่ขณะที่ป่วยหนักหนึ่งราคะาความรักจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้น สองโลภะความโลภความอยากรวยจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นแล้วก็สามโทสะความโกรธจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นแล้วก็สี่โมหะความหลงจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นเวลาที่จิตยังตั้งอยู่สังขารเปรียข้ายานเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสถ้ากำลังใจของเราต้องการคิดว่าถ้าตายเวลานี้ขอปนิพาน ถ้าตายเมื่อไรมันจะปรนิพันธ์เหมือนนั้นอันนี้ประโยชน์ของที่เปยย็นขุยยานประวาณิศสองวา น, นิศมาถึงจุตรงนั้ถึงเจโตริยานแล้วก็สองจุดตรปรปปาริยานการรู้การเต ก, การเกิด แ, และการตายของสัตว์รู้ว่าคนและสัตว์ที่เรามองเห็นหน้าและได้ินชื่อนี่ก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหน วางคนมาจากมารกบ้างมาจากเปเรตบ้างมาจากสุรกายบ้างมาจากสติสันบ้างมาจากมนุษย์บ้างมาจากเทวดาวมาฟ้าบ้างมาจากรมบ้างเราก็รู้นี่ต่อไปยิงข่าวคนตายเข้าไปทางไหนเราก็สราบนี่ใต้คนตายจะมีความสุขและความทุกข์ไปอย่างไงอันนี้คือยาถากรรมุตายอย่าง เก่ับความได้สได้จูตูปปาทยานนี้เราก็มีความเชื่อในคำสอนพระเจ้าโดยตรงว่าการตายของคนนี่ไม่มีสภาพศูนย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัตตะถ้าเราถอยหลังไปนาดีของคนในสัตว์ทีนว่ามาจากนรกบ้างเปรตสุรกายสติฉานบ้างมนุษย์บ้างก็จะเห็นว่าการมาจากแดนนั้นทั้งหมดเป็นแดนของความทุกข์ เราก็ไม่อยากได้แล้วนี่ดูการตายเขาตายแล้วมันจะี๋ยจะเราจะตายต่อไปเขาตายไปอยู่ที่ไหนไปอยู่สวรรค์อยู่ปฐมโลกเรามีปัญญาเราคิดว่าแดนสองแดนนี้เรามา้องการเพรื่อไม่พ้นจากความทุกข์ถ้าบังเอิญนี้ข่าวพระอาหารหันต์ตายแทนปณิพันธ์อาศัยทิพย์กุยานของเราจเจีนภาพของท่านท่านจะมีความสุขผองใสมีความผ่ขของใม ย, มงงยมากสวยสดงามสว่างไสยมาก ความรักเกิดขึ้นนี่กําลังโจ tụ น ป, ปัญญาปารติยานเป็นเหตุแห้เไม่ประมาทในชีวิตที่เราคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะตายนี่เป็นความจริงถ้าเราตายเราจะไปไหนเราเลือกทางไว้ยอดต่อไปก็เป็นเจตุริย า, ยานก็จริงวันนี้ํามวานเจตุริยานรู้จิตใจของคนเขารู้จิตใจของคนอื่น ความจริงจิตใจของคนอื่นนี้เอาไว้เฉลี่ยหลังควรจะฝึกการรู้จิตใจของตนเองจะโลมความว่าการจะใช้ทิพย์คุยยันก็ดีจุดกกตัวกับปลาแยันก็ดีเจตัวไรยันก็ดีอันดับแรกต้องทําจิตใจเป็นสังขารูเปเกขาใหญ่ก่อนในสมายความอันดับแรกตอนน้องรับมีวรห้าเปลี่ยนก่อน ในเวลานั้นหนึ่งความรักไปรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอยาให้มีเจ้าคราวรายการที่สองความอารมณ์ไม่พอใจจงอย่ามีรายการที่สามความง่วงจงอย่ามีรายการที่สี่จิตจะไม่ฟุ้งซ่านของฟังซ่านจงอย่ามีเฉพาะเวลาถ้ารายการที่ห้าการสงสัยได้ภาพ p o s i t i ปรากฏ ข, ขึ้นจงอย่ามี และก็ตรงทิ้งอุปารฐานว่าความเรามีความดีแค่นั้นเรามีความชั่วแค่นี้ต้องทิ้งอารมณ์นี้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็หมดจับจิตใจจตรนนต่จับร่าง ก, กายว่าร่างกายไม่ชาไม่ก็ตายในเมื่อมันจะตายคราวนี้ความต้องการใดๆทั้งหมดจะไม่มีสาหรับเราต้องการเป็นมนุษย์ก็ไม่มีต้องการเป็นนางฟ้าก็ไม่มีต้องการเป็นเทวดาก็ไม่มีต้องการเป็นพรหมก็ไม่มี เพราะไม่เช่ใดของความสุขเราต้องการนิพพานจดเดียวได้ขึ้นไปเห็นพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสแต่กำลังเราต้องการรู้อะไรถามพระพุทธเจ้าโดยตรงตามที่กล่าวมาแล้วก็ไม่กันให้ถามพระเจ้าโดยตรงนี้จะไม่ผิดล้ว ต, ต่อมาก็หนมาดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเรามีภาระเป็นภาวะเป็นยังไงถ้ายังเป็นสีเมืออยู่ยังใช้อะไรไม่ได้ ถ้าเป็นมืสีเนื้อมีเลื่อมภายนอกอย่างใช้ไม่ได้ถ้ายังเป็นแก้วบางๆเป็นชานที่หนึ่งอย่างใช้ไม่ได้ถ้าเป็นแก้วลึกก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซนอย่างใช้ไม่ได้ถ้าเป็นแก้วทั้งหมดแต่มีแกนสีแดงหรือสี ด, ดำนิดหน่อยอย่างใช้ไม่ได้ต้องเป็นแก้วใสทั้งดวงถ้าเป็นแก้วใสทงดวงใสามาก ยังไม่เป็นใจกลายพฤกอย่างนี้กำลังใจเป็นสังขารเบิดขยานเป็นก็เรียกว่าเป็นชานโลกีเป็นชานทิสี่ถ้าจิตใจเป็นแก้วใสตั้งดวงนี้นีจิตจะมีเอกก้าตาก็เบิดขาโดยเฉพาะเอกขก็ตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งผู้เบิดาวางเฉยจิตสะอาดมากอย่างนี้ว่าแค่แค่ชานโลกี เมื่อจิตทรงตัวเล็กน้อยใช้เวลาเล็กน้อยพอมีอารมณ์ดีก็ถอยหลังมันนิเทวปัจจาระสมาธิไม่ต้องถอยมันกลอยอารมณ์นิดหนึ่งเราต้องการคิดมันก็ถอยมันเองในเมื่อมันต้องการคิดหนึ่งแล้วก็พุ่งตรงไปเลยปราบทูลไปไหว้พระพุทธเจ้าทันทีตอะ น, นี้เราอยากจะรู้จิตของใครใครคนไหนจะได้ชาญโลกีชั้นไหน ท่านองคไหนจะเป็นพระอริยเจ้าขนไหนเรารู้ได้ทันทีท่าวถามพระพุทธเจ้าในเมื่อถามนั้นแล้วเวลาท่านบอกก็จงจำเพื่อเราจะพบโดยจับทักจับสูแวิธีจำก็คือว่าต้องเข้าใจวันหนึ่งท่านที่ได้เป็รโสดาบันจะมีแก้วเป็นประกายพลึกแปลวราปริยับลึกเข้าไปในเนื้อประมาณสั ก, สก ยี่สิห้าเปอร์เซ็นตกหนึ่งในสี่ถ้าเป็นสกิพระสิธาคามีจะเป็นประกายพึกหรือหรือเข้าไปเนเลอประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตาทั้งโดยรอบเลยนะถ้าเป็นพระอนาคามีจะเป็นประกายพึิกทั้งดวงแต่ว่าจะมีแกนข้างในเล็กน้อยถ้าเป็นพระอรันจะเป็นประกายพึิกทั้งหมดไม่มีแกนจะมีและจะเห็นดวงสายสว่างมาก อันนี้เป็นพาาระรหันและกระโจงทราบว่าถ้าเราได้ชั้นขั้นไหนจะรู้แค่นั้นนะถ้าเราได้แค่ฌานโลกีถ้เราไปดูพระถ้ายักเข้าเราจะไม่รู้จริจรงจะนั้นกายก่อนจะรู้ทั้งหมดอย่ารู้เองไม่ว่าอะไรทั้งหมดให้ถามตรงพระพุทธเจ้าถ้าถามตรงพระพธเจ้าจะมไม่ยามีไม่มีอะไรผิดอ่าอเวลาหลือแปดสิทีตอนนี้ไปก็ขอแนะนำการปฏิบัติมโนยิทธิ คำว่ามาโนยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจคืว่าเป็นต้นเหตุที่รู้ญาณแปดตาที่กลับามาแล้วให้ขอบรรดา ญ, ญาโยมพรธทวีสัจกรที่จะภาวนาเวลานี้แผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งหมดคิดว่าคนรละสัตว์ทั้งโลกจะเป็นมิตรที่ดีของเราเราจะไม่เป็นศัตรูของใคร แล้วประการที่สองเราจะมีความกุณาคือความสงสารถ้าใครมีความทุกข์ไม่เกินมีสายที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขหลังจากนั้นก็กาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แล้วก็ภาวนาตามให้ใจเข้านึกวัานะมะให้ใจออกโลภะทะขณะที่ภาวนาอยู่นี่มันอาจจะเผลอบังอะไรบ้างก็เป็นของธรรมดาถ้ามันเผลอคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาพระรู้สึกตัวก็เริ่มรู้ลมหายใจเขาออกภาวนาต่อไปในการจะฝึกอย่างนี้ทุกคนจะต้องได้ทิศคุยงยก่อน คนใหม่คงทราบว่าคําว่าทิพย์เป็นคุยานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์ถ้าลูกตาเป็นทิพย์ต้องเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือผม้พมท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ตายก็เป็นทิพย์เราเป็นมนุษย์เปร่างกายเป็นเลือะมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ตาก็เป็นเลือดนั่นต้องใช้ยานคือจิตใจคําว่าทิพย์ุยานคือใจทิพย์ ซึ่งแปรตามสัพมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิตอันนี้ความเป็นทิพย์ที่ยาาโยมได้ที่อาจจะไม่เสมอกันบางคนมีความเป็นทิพย์น้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจแต่ให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกที่จะไม่ผิดบางคนมีความเป็นทิพย์ปานกลาง จะมีความรู้สึกทางใจแล้วก็มีจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนะักท่านที่มีจิตสะอาด ท, ที่สุดจะมีความรู้สึกทางใจเพราะจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสจะนั้นคอยเชื่อความรู้สึกของจิตเด้วยกันถ้าความรู้สึกครั้งแรกเกิดขึ้นให้เชื่อมันวันนี้ถูกต้องแต่ว่าทางนี้ต้องทิ้ง ป, ป่าทานไยก่อนนะการคิดว่าคนนั้นเป็นยังไงนคนนี้เป็นยางงี้ เ่ว ด, ดารูปร่างเพียงนั้นลางฟ้ารูปร่างเพียงยี่ผมอย่างนั้ น, อ, น, อ, น, น, อ, น, นอันนี้ต้องทิ้งอารมณ์นี้ก่อนปล่อยให้เกิดความรู้สึกเข้าใจเองไม่ใช่ภาพเดียวคิดอันนี้แต่เมื่อญาติโยมภาวนานแล้วถึงก็ถึงเวลาจะซักซ้อมความเป็นทิพย์ที่บรรดาญาติโยมพระสงฆ์จะยังไม่เกิดในขณะที่ภาวนา เวลาที่ท่านภาวนาอยู่จงอยารู้อยากถึงอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากถึงนเวลานั้นความเป็นทิพย์จะไม่เกิดเพราะจิตใจฟุ้งซ่านด้ ว, ว่าเวลาภาวนาอยู่ก็ดีรู้ลง ใ, ใจก็ออกก็ดีต้องการให้จิตทรงตัวเฉยๆให้มีกำลังหลังจากนั้นมาถึงเวลาครูเข้าไปได้นําขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงก็ดีนั่งข้างหน้าก็ดี เวลานั้นขอทุกคนหยุดภาวนาทันทีและก็ไม่สนใจจะรู้ไม้ใจเข้าออกแต่อจัยไปสนใจเอาหูไปฟังเสียงของคนพูดพู้แนะนำเขาจะแนะนำในด้านธรรมะด้านดังตากิเลสถ้าฟังเพลินเพินไปใน ต, ตอนนั้นจิตจะว่างใจกิเลสความเป็นที่จะเกิด ต, ต่อไปเทาก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบาง ให้ถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีเขาถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเรามีความรู้สึกทางใจยังไงตอบตามนั้นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ย่าตามความรู้สึกของเราแล้ก็ถามว่าไปแต่คนที่มาอยู่ข้างหน้าแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามนั้นคําว่าคนที่มาอยู่ข้างหน้านี่ยไม่ใช่คนเป็น Fruit เทวดาบ vale ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอรหันต์บ้าง ที่ท่านมาสงเคราะห์ฉังนั้นขอบรรดาญาโยงพระธรริษัทให้เข้าใจตามนี้นะที่ต่อไปสำหรับคนเก่าคนเก่าๆก็ตั้งจับอริยสัจเป็นเรื่องหนาจับทำลายสกายญติทิอริยสัจจะหมายความเห็นว่าการทรงชีวิตอยู่เป็นมนุษย์บรรเ็มไปในความทุกข์ เป็นนางฟ้าเป็นเทวดารื่ผ ม, มไม่หมดทุกเดี๋ยวต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเราไม่ต้องการเวลานี้เรามีร่างกายเป็นคนร่างกายเป็นคนก็มีสภาพในความตายเป็นอิสุดมันจะต้องตายในวันหน้าโรงความว่าความตายจะเข้าเรามาถึงแรกมันจะมาเมื่อไร่ก็ช่างของมันเป็นหน้าที่ของมันจะต้องตายถ้าตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วเราต้องการไปนิพพาน ก็จิตใจเขาจาับตามความเป็นจริงว่าขึ้นชอวัยกายเกิดเทวนานกดีเทวดากรดีตรงกรดีจะไม่มีสำหรับเราอีกการตายเท่านี้ถือเป็นการตายครั้งสุดท้ายเราต้องการนี้ผ่านจุดเดียวหลังจากนั้นจะภาวนาพันธุกำหนดรู้หลงใจเขาออกภาวน า, าวนามบัตะ ถ้าจิตใจไปตั้งอยู่ที่นิพพานอาจารย์พระรูปพระสงฆ์องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสแต่กําลังอย่างนี้เวลาที่คููเข้าไปนะนำท่านจะมีสภาพแจ่มใสทต้องตัวสุดอรหันต์ญาติโยมเวลานี้ถึงเวล า, วลาแล้วทุกคนหันหน้าไ ป, าปตั้งพระพุทธรูปตั้งใจพระสมมาทานกรรมฐานสมาท า, ท า, า, านศีล